ลูกหลานที่รักวันนี้ก็มาพบกันในเรื่องราวของมโหสดผลิตมอนก่อนมาจบลงและว่าหยุดลงตอนที่โมโหสถแจะสสืบข่าวที่ความจริงโมโหสถนี่งแล้วที่ห้าไว้ตั้งเยอะแยะทุกประเทศมีการปกครองประเทศ้วยการบริหารประเทศที่ต้องเป็นคนฉลาด แต่ว่าข่าวที่ได้ทราบมาว่าอาจารย์เกวัตกับพระเจ้าจุล น, นีพรมทัตปรึกษากันคราวนี้ไม่ปรึกษาในสวนว่าคราวก่อนปรึกษาในสวนแต่ว่าถูกนกแก้วขี้รถหัวก็วถือว่าโมโหสถนี่มีการสืบเป็นพิเศษยังไม่จัดการใหม่คราวนี้ไม่เอาเราปรึกษากันในห้อง การที่ประสายกันในห้องในสืบด้วยคนไม่ได้แต่ว่าลีลาการเมืองโลกหลานที่รักมันก็ต้องมีกันหลายหลอย่างระบบการเจ้าชู้ที่นักการเมืองมีเมียมากบางคน mm. เขาอาจจะ <c oughs> อาจจะหวังผลในการอยู่รอดเขาอาจจะหวังผลเพื่อประโยชน์ของการเมือง ก, องก็ได้ ถ้าบทมาทแห่งการเป็นเจ้าชูนี่บางทีก็ดีถ้าบางทีก็ไปอันตรายก็สุดแล้วแต่สถานการณ์และความเป็นไปอย่างประเทศไทยในเวลานี้เขาเนื้ออ่อนมาล่อเนื้อสวยๆซะด้ว ย, ว ย, วยการได้เนื้อมาแทนที่จะต้องเสียสตางค์บางทีผู้ให้เนื้อก็ให้สตางค์ด้วย เนื้อสวยๆผิวเขาขาวหน้าตา ย, ยินมแย้มแจ่มใสมีเสน่ห์ท่าควายแก่ของไทยไปกินหญ้าอ่อนอย่างนี้เมื่อไรหรือว่าข้าวรายการผู้มีอํานาจของไทยกินหญ้าอ่อนอย่างนี้มืไรบ้านเมืองเราก็พังแช่นบ้านเมืองไม่ใช่ของเป็นบุครคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ เป็นของเราทุกคนลูกหลานที่รักจงใช้ปัญญาพิจรารณาแล้วก็ควบคุมกายกระทำของบคุคคลพวกนั้นวิธีควบคุมเราก็ค่อยดูว่าคนที่คิดว่าเป็นราชครูเขาไมาทานลัยห้คำว่าราชครูนี่พอดีจยผิดไป ค, คนนี้คิดว่าเป็นมีปัญญาใหญ่หลงอะไรอยู่บ้าง หลงในสุราหลงในนารีหลงในพาชีหลงกิลามัดคนประเภทนี้ต้องระวังวิธีระวังเป็นของไม่ยากใช้มันสมองอย่าใช้กำลังอย่าใช้กำลังให้มากกว่ามันสมองใช้สติปัญญาให้มาก ทุกสิ่งทุกอย่างไม่คนรจะควรจะเสียเลือดเสียเื้อเขาใหญ่เสียเลือดเสียเนื่อทำเวลาทำงานทุกอย่างต้องดูประวัติศาสตร์ถ้าคนเก่าเขาทำมายังไงดีเราทำตามนั้นมันจริงจะมีประโยชน์ไล้เราคุยเรื่องต่อไปเป็นอันว่าเมื่อโมโหสดคิดได้ว่านางนกสายกาเขาระเจ้าจุนนีพรหมทัตมี ก็จะต้องส่งนกแก้วเจ้าชู้ฉสนรู้ของราไปสืความรักจ้นานนกสาริกานี่เรื่องนี้ละ ก, กันเมืองใหญ่ของเราคนหนึ่งต้องพลาดท่าเพราะหญิงก็อย่าไประวคาพูดกันเลยที่เต้าทินน่อำนาจหนีไปในแดงไกลแล้วต้องตายในต่างประเทศก็เพราะผู้หญิง แกโทษว่าผู้หญิงเขาไม่ดีนะไม่ได้แต่ตัวเองโง่กว่าแผ็งกายเขามุคนคนหนึ่งต่างหากเป็นว่าวันหนึ่งมาโคตรสดได้เรียกนกแก้วมาแล้วก็พูดว่านี่ไงเจ้าผู้มีปีกสีเขียวขจีเห็นไหมเ้าพูดกันลกเ็าพูดอ่อนหวานปิยะวาจาวาจาเป็นที่รักต้องย่อมเป็นที่ชอบใจของคนทุกคน เมื่อเจ้าเจ้าผู้มีปีเขียวขาจีณห้องมันธมข้าเจ้าจุล น, นีปรมทัตแห่งปัญจาระนครมีนางนกไสรรกาอยู่ตัวหนึ่งน า, นางเป็นนกที่มีความฉลาดมากฉันอยากจะขอร้องให้เจ้าปไปทินันไปทำความสนิทสนองกับนางนกไสรรกา แล้วก็ถางความรับกับนางลกศนิกาโดยละเอียดเพื่อนางลกศนิการู้ความรับทั้งหมดข้าพเจ้าจุนันท์กับอาจารย์เกวัตเป็นอย่างดีนี่กายืมสืบความรับแก่สตรีก็ต้องใช้บทบาทในการ้าชู์มันถึงจะมีผลอนางลกแก้วสนรู้รับคํากรรมของสด แล้วก็บินอออกจากเรือนมุ่งไปที่อยู่ค้นนานลกศริกาที่เมืองบรรจ า, นนาลณนครพอถึงก็แอ บ, บเข้าไปในช่องพระแกร์คือเข้าทานต่างพระแกร์ไม่ใช่แกร์เป่าปแปดแปดนะพระแกร์คือหน้าต่างไปจับที่กรงทองค้นนางลกแกว้วนางลกศริกาผู้เล่ยโฉม ซึ่งมีนายนกศรีกาโยตในที่นั้นก็ไดเริ่มปราศัยไปภาษานกว่ามาอันี้ก็ย อ, อ, อดอ้อเขาก็ได้เจ้าเนี่ยท่านรู้ภาษานกท่านเล่าเรื่องของท่านนะ <c oughs> ว่า น, นี่แหละเจ้าผู้ผู้มีกรงทองสีสวยกรงทองก็สวยตัวเจ้าก็สวย วันนี้เจอทุกอย่างทุกเสียงทุกอย่างมันสวยไปหมดน่ารักน่าอิจฉาแน่เลยสิยาเจ้ามีบุญวาสนาดีมากเจ้าเองพูดก็ใครเหรอเจ้าพอจะอดทนอยู่ในกรงงามนี่ดอกหรือหมายความไอ้กันอยู่ในกรงสวยๆอย่างเนี้ความจริงทุกเสียงทุกอย่างมันดีแต่ว่าขาดอิสรภาพ เขาให้กินข้าวกินน้ากินของอร่อยกรองก็สวยแต่การอีกการไม่มีขาดอิสรภาพมันดีเลยจะมีความพาสุสมาดีตามเพศดอกหรือที่หมายความมาตามธรรมดาเนะ่ยผู้หญิงก็ต้องการผู้ชายผู้ชายก็ต้องการผู้หญิงเพื่อเกิดมาเป็นของคู่กัน แต่ว่าเจ้าที่อยู่ในกองทองอย่างนี้นั้นขาดอิสรภาพโดยขาดคู่รักคนรักโดยจิตใจของเจ้ามันมีความสุขเลยแล้วถาว่าพูดต่อ่าเจ้ามีข้าวตอกน้ำพึ่งบริบูรณ์แล้วมีอาหารทุกอย่างเขบทนดีหืออยังไงฟังนกเขาเกี่ยวนกนางนกฟิกิปปินส์ถาว่าท่านนกแก้ว ผู้มีสีสวยสดใสเอาแล้วต่างคนต่างชมอย่างนี้มันก็เสร็จต่างคนต่างชมนะไอคนที่อยู่ในกรงในเสียงแวดล้อมไม่มีโอกาสสัมผัสสิ่งภายนอกความรู้สึกมันหนักไม่ไหวก็คนที่เดินกรีดไฟกลายมาสัมผัสที่น่องกันได้เห็นที่ก็ได้ใจมันก็สดใส ยิ่งหิวเท่าไรก็ยังคิดว่าอาหารที่ขอให้แม้แต่อาหารโบตถมันก็อร่อยเหมือนกันนกไิกาที่อยู่ในกรงทองแต่ว่าไม่มีเพื่อนอยู่เป็นคู่สองความปรารถนาในเพศมันก็มีมากกว่านกแกว้วไอ้นกไิกาที่บินไปบินมาด้วตาเมติยาัยฟังเรื่องราวต่อไปว่าท่านนกแก้วมีสีสวยสดใส ข้ามีความฟ้าสุขสบายตามัตภาพเข้าต่อกำนับพึ่งข้าก็มีเพียงพอข้าขอถามท่านมังว่าท่านมาจากไหนแล้ใครใช้ใเจ้ามานะแต่ก่อนแตไรนี้ข้าไม่เคยเห็นเจ้าเลยนกแก้วเขาคุยนะฟานกแก้วเขาคุย นกแก้วได้ฟังนานนกสริิกาถามนั้นๆจะได้คิดว่าถ้าเราจะบอกว่าเรามาจากเมืองมิเิลามห ah านครนางนกสวิติกาคงไม่ให้ความสนับสนุนกับเราเป็นแน่เราควรจะบอกว่ามาจากมา อ, อื่นเพื่อประโยชน์ในการเก็บสนความลับนี่อย่างนี้นเพื่อมโหสถปิดทองในลาไส้พระลูกหลายควรทานะจ๊ะ เมื่อนกแก้วคิดดังนั้นแล้วนกแก้วจะเนี่บอกว่าข้าอยู่บนรถาฟคําว่าเจ้าสิริวิราชแน่แห่งอริธาบุรบุรีไอบุระบุรีอริธาบุรีนี่อริธาบุรีในความจริงมันอยู่ที่เมืองจอมทองนี่เองนะที่อำเภอจอมทองนี่เองมาฟังใหม่ว่าข้าอยู่บนรสาฟเขาว่าเจ้าสิริวิราชแห่งอริธาบุรี ราชาทรงโปรดปล่อยให้ปล่อยสัตว์ท่านหลายที่ถูกขังข้ามีโอกาสออกมาจากกรงทองซึ่งเปิดอยู่ตลอดเวลาเที่ยวไปเที่ยวมาในที่ต่างๆแล้วก็กลับเข้าไปในกรงทองถ้าไม่ได้อยู่ในกรงทองตลอดเวลาที่ยวปิดไว้เหมือนเจ้าอย่างนี่ดอกฉันเที่ยวไปเที่ยวมาตาสมสบายอยากจะเมื่ อ, อยียจเที่ยวก็กลับเข้ากรงทอง อยากจะไปเที่ยวอะไรเข้าไปได้อิสรภาพมันดีกว่าน้านลกสุริกาจึงถามว่าเจ้ามาแต่เมืองไกลมาถึงที่นี่เนี่ยเพื่อมีความประสองค์อะไรนกแก้วผู้ตรงการสื่อความลับจึงยังไม่บอกตรงๆ ต, ตามความประสงค์ที่มานี่นกก็ฉลาดนะจิงแกล้งพูด ้า้มัเปลี่ยนเรื่องไปว่าไม่ตรงกับความเป็นจริงว่าข้ามีนานกสลิกาอยู่นางหนึ่งเป็นพัญญาที่รักเตี้ยวตัวหนึ่งได้มาฆ่านาง น, นกสลิกาพัญญาของข้าในตําหนักยอดเั้นเตียวมันเฉียวไปที่ก็ปล่อยไฟไปมาตอนหน้าต่อตาข้าผู้มองดูอยู่นงงี่สง่า หมดทางที่จะช่วยเหลือได้ข้ารักนางนกสรลกาพัญญาเข้าไปขางข้ามากน่แน่นี่แทนวินี้ดูรีลาการเจ้าชูเนะี่ยแทนนี่เขาย่าบอกว่าเขาไปโสดเขากลับบอกเขามีเมียแล้วแต่เมียเขาเป็นนกที่มีอิสรภาพไม่ได้อยู่ในกรงทองเขาอยู่ในกรงนางนกมาจับที่ยอดรตริสาททุกเยียวเชียวไปเขารัก ปัญญาของเขามากสงสารมากคิดถึมากนีบทบาทเอการเจ้าชู้ เ, เอาเขาลูกแก้วในความจริงใช้ได้ผลนะใช้ได้ผลแต่ถ้าว่าอย่าใช้ในยกดีถ้าว่านารีภาชีกิลาบัตเป็นเหตุแห่งความทุกข์แต่ว่าถ้าจะเราบะะริเริ่มกันจริงๆแต่งงานกันจริงก็เป็นเรื่องของเรา พูดกันต่อไปว่า น, นานกสานิกาขอให้นกแก้วเล่าเรื่องที่เดียวค่านานกสันิกาปัญญาของเขาให้ฟังเอาละสิแมนะ่ละแต่ว่าไม่เป็นไรนกแก้วจอมสลนนานนกแจ้วจึงได้เล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งข้าและพัญญาของข้าตามเสน็จพระราชาไปส่งขนานที่แม่นำ้ำและที่น้ำตกแห่งหนึ่งนะที่น้ำตกที่แม่นำ้ำ น, น้ตกแห่งหนึ่งตอนที่เด็กกลับพันยาของข้าก็เลตามมากับข้าโดยแล้วก็ขึ้นไปบนปริษรัทไม้ขวามกลงเขามาได้ปิด แ, แล้วขึ้นไปบนปริษาทพร้องกับพระราชาข้าพาพันยาไปจับอยู่บนธรรมหนักที่มียอด เพื่อจะพึงตัวให้แห้งเขไปเล่นน้ำมาก็ไปตักแดดให้ห้กา น, นแห้งขณะนั้นก็มีเหี้ยวตัวหนึ่งโผล่ลงมาโฉกพัญญาของข้าข้าและพัญญาไม่คว่าเหี่ยวมันจะจับทั้งสองตัวกิน่นมันมีทั้งขานี่กรองเล็บมันใหญ่ข้าบินหนีเข้ากรงได้แต่ว่าพัญญาของข้ากำลังมีคานแก่บินหนีไม่ทัน เยี่ยวยิ่งเคี่ยวพัญญาของข้าไปต่อหน้าต่อตาข้าร้องเในความสงสารน่าอะไรในพัญญาของข้าจนไม่มีอันที่จะไปไม่มีเวลาจะกินจะนอนได้เพราความเสียใจนี่เขาบอกว่าผู้หญิงชอบโกหกนะถ้าไม่โกหกเธอก็ไม่รักโคตรตรงไปตรงมาไม่เคยชอบถ้าโกหก ดีไม่ดีเธอไม่สวยเพราะชมมาสวยก็ยิมย้มเสร็จยิ้มอะไรเสร็จมานั่นมีหวังแค่ลูกหลานที่รักที่เป็นสตรีระวังให้ดีนะหมดมาปแห่งการเจ้าโชนี่มันมีอยู่เยอะและลีลาการเจ้าโชกของผู้ชายก็ทียว่าเอาแน่นอนไม่ได้ ว่าจเอาอะไรจเอาอย่างไหนว่าเขามาในแบบแผนจะชูต้องดูก่อนว่าอะไรที่มันเกินความจริงไปบ้างอย่าเชื่อันง่ายนักมิสมะกระนังเซยโ ย, ยเขาก็ได้เจ้ากล่าวว่าใครควรเส้อก่อนแล้วยิงทำดีกว่าเวลานี้ได้ยินเสมอๆ เ, เดินทางกลับบ้านมีคนรับราษาจะไปส่งที่บ้านเวลาเด็กเดินเที่ยงคืนก็โอเคไปกับเขา แล้วผนนี้สุดก็ไปทำผู้ยี่ผู้ยำหลวงปู่ว่าแบบนี้ไม่ใช่เขาแกล้งหรอกเต็มใจเต็มใจในเมื่อผู้ชา ย, ชายนนนนคนนั้นไม่เป็นไม่เป็นที่ไม่เคยชอบพอกันมา ก, ก่อนไม่ใช่พี่ไม่ใช่นนอะการไว้วางใจแบบนั้นมนบบนันไม่มีนอกจากว่าสตรีผู้นั้นจะพอใจ แต่ถ้าว่ามาถูกกระทำมากเกินไปก็โกรธและไปแจ้งความตำรวจอันนี้หลวงปู่ไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับผู้แจ้งความถ้าเราไม่ไปกับเขาเรื่องอะไรมันจะมีขึ้นแล้วคุยกันต่อไปพระราชาของข้าพระองค์พ <c oughs> ระราชาของข้าทอดพระเนตรเห็นข้าร้องไห้จึงได้ตัดถามว่าจะนกแก้วเอ๋ย เจ้ะรอให้ทําไมข้าก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐเหยื่อได้ <c oughs> <c oughs> ดมาเขี่ยวนางนกศตรีกาพัญญาเข้าข้งข้าพระองค์ไปกินเสร็จแล้วพระเจ้าค่าพระราชาทรงรับสั่งว่าเจ้าจะรอให้ไปเลยเจ้าจงไปหานางนกสตริกาที่อื่นมาปปเป็นพัญญาใหม่เถิดข้ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐ ข้าไม่ต้องการมีพัญญาใหม่แล้วนี่ลีลาเขาเก่งนะพนเพราะว่าพัญญาใหม่อาจจะไม่มีศีลไม่มีสัตว์ไม่มีมรนญาติมันานานูกไสยาพัญญาเก่าของข้าพระพุทธเจ้าก็เป็นได้ข้าพระพุทธเจ้าพอใจที่อยู่แต่คนเดีย ว, ยวก็เยี่ยอืารนี่ลีลาแห่งการเกี้ย ว, วเขาเก่งเก่งมาก ลูกลูกห ล, ลานทั้งหญิงชายจําไว้นะถ้าบูชาอยากจะเป็นเจ้าชู้ก็ดูลีลาของนกแก้วถ้าลูกหลานที่เป็นสติเพื่อเป็นการป้องกันการเจ้าชู้ของคนอื่นก็ดูลีลาของนกแก้วเหมือนกันถ้าเข้ามาท่านนี้ระวังตัวให้ดีอย่าตกลุมพรางเป็นอันว่า เ, าเล่าเรื่องของท่านต่อไปเมื่อพระราชารับสั่งว่าเจ้านกแก้วที่รัก เจ้าอยันนึกว่าสริกาอื่นน่ะจะไม่ดีเหมือนพัญญาของเจ้าข้าเห็นนานลกสริกาตัวหนึ่งที่เพียบพร้อมได้วยคุณสมบัติเช่นเดียวกับพัญญาของเจ้าอยู่ที่ห้องบรรทมของพระเจ้าจนลนีสมทัตนี่ถ้ายันนี้โดยเขายันนี้น่ะยิ้มยิ้มกับทุกรายรายไหนยิ้มรายนั้นเสร็จทำไม น้องหลานสงสัยเลยหลวงปู่มาก่อนบทก็เคยเรียนวิชาเจ้าชู้และปฏิบัติมาก่อนจนกรทั่งเบื่อความเจ้าชู้จึงบดไม่อยากศึกไอ้ที่บทไม่อยากศึกนี้ไม่ใช่ไม่รู้เรื่องของการเจ้าชู้รู้เรื่องดีและรู้เรื่องมากเวยรู้เรื่องจนกระทั่งเสียอิสเอียน พอดนสุดไม่จะบวชก็าตั้งใจคิดว่าการบวชคราวนี้เราจะตัดสองอย่างคือหนึ่งไม่หวังความร่ำรวยในฐานะที่เป็นพระและก็ประการที่สองเราจะไม่รักสตรีใดที่คิดว่าจะต้องเอามาเป็นพัญยาถ้าความเลวทรามของใจเกิดขึ้นอย่างนี้เจ้าสิกทันทีจะไม่ยอมให้ศักดิ์ศรีของพุทธศาสนาเสื่อมโทรม ที่หลวงปู่ตัดสินใจแบบนี้เพราะท่านี้เพราะอะไรเพราะว่าเจ้าชู้มาพอเพรว่าเจ้าชู้มาแบบเหลือเฟือนี่ลาเจ้าชู้ก็คล้ายๆเจ้นกแก้วนี่แหละเปรา น, นั้นว่าเราเรีกันท่านต่อไปเพราะนั้นว่ามีนางนกแก้วตัวที่มีจริยาดีเหมือนพัญญาของเจ้าอยู่ในกรองทองเขาบอกเจ้าชนานีประมาท แทนอุตราปัญจารนครเจ้าจงไปที่นั่นฟังน้ําใจเขาดูก็ไปถามเขาดูเขาจะรักไหมถ้าตกลงเปลงใจกันอย่างไรแล้วก็จงกลับคมาบอกข้าข้าจะจัดพิธีสู่ของนาสุขขอนางลกสริกาของพระเจ้าจุลนีมอให้อยู่กับเจ้าขอเจ้าจงรีบไปเถิด เมื่อข้าได้ฟังข้าดีใจมากเกงไยงทูลลาพระราชาของข้าแล้วก็อ่ใ น, นที่นี้นะนด้วยเหตุนั้นนี้กล่าวที่เล่ามานี่แหละหวังว่าเจ้าคงจะทราบความประสงค์ในาการมาของข้าครานี้มหาลีลาของนกติเกียวนางนกษฤิกาได้ฟังข้านกแก้วแล้วก็ดีใจเขานี้ได้สามีแนบแม่ อยู่คนเดียวเปลี่ยวกายแสนสบายแต่ไม่สนุกอยู่สองครางทุกแสนสนุกแต่ไม่สบายแต่ไม่สบายก็ช่างให้ไม่สนุกก็แล้วกันเพราะนั้ น, นเรื่องนี้เป็นธรรมดาของโลกพระไม่เกี่ยว น, นากนกสตริกาได้ฟังคำลกแก้วก็ดีใจว่าคนนี้คงจะได้ผัวแน่แต่ก็ทำเป็นไม่สนใจในคำของนกแก้วนี่เป็นลีลาของสตรี เร่อนี้เรื่องง่ายไม่ยากเยอะมาเยอะทำกับอเมจโ บ, บนอิอิดออดไปไปบามาตามมันยากของสตรีแล้วก็พูดว่าธรรมดา น, นกแก้วเป็นนกในแต่คนหนึ่งพุอแมสมโซอยู่กับนา น, นกแก้วซึ่งเป็นนกในแต่คนเดียวกันนกสาริกาก็ควรจะอยู่กับนกสาริกา แต่นกแก้วจะมาสมสู่อยู่กับนางนกฟริกาซึ่งปิตากขันนั้นจะดูปรโยโนยชนเห็นไม่สมควรแน่นนกแก้วรู้เชือ่อนางฟริกาดีว่าใจอ่อนแล้วครนี้จะจบได้แน่เยื่อที่ถูกขังไม่มีอิสรภาพไม่มีการสัมผัสกับชายใดเป็นของง่ายสำหรับกระชายเจ้าชู ฟังกันต่อไปนี่นกแก้ากขาบอกเขาพูดอย่างนี้ว่าข้อที่จะพูดวันนั้นไม่สำคัญมากับลามากับลากินนารีมากับลานะแล้วกินนารีกับดาบทว่านอนกับคนยังสามารถจะ ร, ร่วมร่วมรักกันได้ฉัน้นใดไม่ ซึ่งต่างคนต่างในกลุต่างกำเนิดกันแท้ๆนับภาษาไรกับเราทั้งสองซึ่งเป็นนกด้วยกันจะอยู่ร่วมกันไม่ได้โอ้โหเดียวนายโลกษริกาพูด ต, ต่อไว้ว่าข้ายังไม่ไว้ใจเจ้ากลัวเจ้าจะมาพูดหวานล้อมให้ตายใจพอสงใจแล้วก็ทิ้งไปเนี่ยเสียแตะสีไม่นะลงไปแล้วหวังเสร็จ นกเจ้าฉลาดในมายาเขาสตรีปัญญาดีจะพูดว่าเอาเถอะแม่สาิกาที่รักเมื่อเจ้าหว่าข้าไม่สมควรจะเป็นคู่ครองของเจ้าเจ้าไม่ไว้ใจข้าข้าก็จะลากลับข้าเสียใจข้าเสียใจที่เจ้าดูหมิ่นข้าโอ้โหเว้นว่าตอนนี้ดูหลที่รัก เอาวางกันต่อไปดีกว่านย่าแทรกอะไรนีทก็ยังไม่แทรกนะดูระวังวาจานะปิยะวาจาวาจาเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของคนไม่ได้ใส่ก็เช่นเดียวกันแต่วาจาที่เป็นที่รักวาจาอ่อนหวานต้องพิจารณาเสียก่อนว่าวาจานั้นน่ะจะมีคุณและมีโทษกับเราเล่าเรื่องกันต่อไปว่านานกสริวกาได้ฟังคําของนกแก้วเชนั้นแล้ว เข้าใจว่านกแกว้วโกรธแล้วก็อยากลับไปจริงๆก็รู้สึกเสียดายคิดว่าชิ้นหมูอันโอชะชิ้นใหญ่มาทิ้งเราแล้วปล่อยกลับไปมันก็ไม่สมควรยจะรู้สึกปานบันหนึ่งว่าหัวใจจะแตกในความรักมันมีในใจนะแล้วว่ามายาเขตรสตรีนี่มีมากเพราะว่านางก็มีความปรารถนานกแก้วอยู่แล้วท่านจะเริ่มเห็น แต่ก็ต้องทำระบิดกระบวนอยู่ได้เชิงกลข้อสตรีท่านเห็นนกแก้วจะไปจริงๆนานกสริกาจะได้โคตว่าข้าตนกแก้วผู้มีขนสีกามแล้วก็ปากสวยขอท่านจงฟังคำของข้าก่อนธรรมดาสิริย่อมไม่อยู่กับผูด้โดนได้ใจเร็วแน่ เจ้าจงอยู่ที่นี่ไปก่อนเถิดเจะได้ฟังเสียงโมโหรีฟังเสียงวิพากษน่าเสียงขับร้องข้นารีพระลูกงามและเจ้าจะได้เห็นสีวิราชโสภาคาเจ้าจนันีุขมทัศในเวลายินโอ้โหเอาเข้าแล้วสิอยู่มัดยังอยู่แน่ลูกแก่เหม็นว่านางลูกสรีกามีความสมัครลักใคร หวังจะอยู่ใกล้คิดประจักษ์จากมายาชินแล้วก็ดีใจแทงสองก็ได้เข้าสมสู่สมัครกระสังวาสหมายว่าร่วมรักในฐานะสามีภรรยากันในตอนยินมันเองเสร็จต้องปงว่าแล้วอย่างนี้ก็เสร็จหวานเรื่องเล็กๆเมื่อสำเร็จความประสงค์ตามความประสงค์กันแล้ว นกแก้วจึงได้คิดตามแผกนการในขั้นต่อไปคือคิดจะเสื่อความแล้วกบนา น, นกสริกาคไั้งโอกาสยังพูดว่าแม่สริกายอดรักจาถ้ามีเรื่องที่จะถามเจ้าสยางหนึ่งแต่ว่าวันนี้ยังไม่ถามนะเพราะว่าวันนี้เป็นวันโมคลณระหว่างเราเทั้สองแน่เพืได้เปสามีพัญญา ก, กับใหม่ เอาไว้วันหน้าเราจะาถามกันใหม่แล้วก็สำหรับของน้องปู่กับหลานก็ไม้กันนะวันนี้ก็ยังไม่ปล่อยให้นกแก้วกับนกสัิกาเขาถามกันทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเวลามันหมดก็จะต้องหยุดยั้งไว้แต่เพียงนี้ก่อนก็ขอความสุขสวัสดิที่พัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผล จงมีแดบันดาท่านพุทธถสาสนิกชนขบันดาและบรรดาลูกหลานที่รักทุกคนสวัสดี